เรียนพุทธวงเนี่ยนะใกล้จะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วนะได้รับพุทธพยากรณ์พระองค์ที่24ที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ถือว่าเหลืออีกพุทธันดรเดียวนะไม่นานสักเท่าไหร่ไม่กี่ล้านปีนะข้อความในพุทธวง วงของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่24ที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นในอาตานาติยะสูตรนอบน้อมพระกสปะว่าขอนอบน้อมแด่พระกสปะสัมะนะสัมพุทธเจ้าผู้พ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงก็คือหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะตัดชันธราคะในอุปาทานขันห้าแล้วโดยประการทั้งปวง ข้อความมีอยู่ว่าต่อมาจากสมัยของพระโกนาคมณพุทธเจ้าคือวันเวลาผ่านไปหนึ่งพุทธัน น, นันก็มีพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้เป็นจอมทัพธรรมคือเป็นหัวหน้ากองทัพธรรมนั่นผู้ทำพระสมีคือทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเรือนของตระกูลมีข้าวน้าโภชนะมากก็สลัดทิ้งแล้ว หมายถึว่าท่านเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมากร่ารวยมากแต่ท่านก็สลัดทิ้งพวกขสมบัติเหล่านั้นให้ทานแก่พวกยาจบยังใจให้เต็มแล้วทำลายเครื่องผูกดัง เ, เครื่องผูกพันเหมือนกับคอกเรียกว่าทำลายเครื่องผูกหรือเครื่องขังเนี่ยเช่นคอกเหมือนโคอุสภะพังคอกฉะนั้นหมายคึงว่าบ้านเรือนเนี่ยนะสิ่งที่น่าปรารถนาะทั้งหมดท่านก็บอกว่า คุกทองหรือว่ากรงทองท่านก็บอกว่าต้องทําลายกรงทองเอาไม้มาให้เราอยู่ในคุกแต่ว่าคุกเรานิทาสีทองให้หมดเลยทั้งพื้นทั้งฝาทั้งหมดเลยนะนะน่าสนใจไหมบอกไม่น่าสนใจฉันใดก็ดีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์มีบุญบารมีมาเต็มเปี่ยมมองเห็นพบทั้งสาเหมือนกับกรงทองเท่านั้นเองเหมือนกับอะไรนะคือท่านต้องการอิสระท่านต้องการเป็นเสรีชนท่านไม่ต้องการความ ผูกพันเหล่าใดในอุปาทานขันโดยประการทั้งปวงเมื่อพระกัสปะพุทธเจ้าผู้นนำลูกเนี่ยนะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักอภิสมัยการแทงตลอดอริยสัจก็ได้มีแกษัตริย์จํานวนสอง0 0ื่โกดเนี่ยนะตรัสรู้ตามมากครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในเทวโลกสี่เดือนอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตรจย์จํานวน 10,000 โกด ตอนที่พระองค์แสดงอภิธรรมปิดกนะก็มีผู้บรรลุตามอีก2อ0 0 0ื่โกดครั้นทรงสแสดงย ม, มากาปารติหารประกาศพรสศพพันยุตยานประกาศพระพุทธคุณเนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมการเห็นอริยสัจก็ได้มีแก่สัจจำนวน 5.000 โกดพระชินะพุทธเจ้าประทับนั่งณสภาชวสุธรรมมาณดาวเดือสเทวโลกประกาศพระพิธรรมทรงยังเทวดา 3,000 ันโกดให ตรัสรู้นะว่าคงไม่ลืมว่าบรรดาผู้ที่เขาเศึกษาปฏิบัติธรรมศึกษาคําสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสะสมบุญวาสนาสะสมอุปนิสัยปัจจัยความที่สะสมบุญจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาจึงได้ตรัสรู้ได้เห็นอริยสัจในพระพุทธเจ้าพระองค์หลังๆอีกครั้งหนึ่งพระองค์ในทรงสแสดงธรรมโปรดนราเทวยักัอภิสมัยแกส อ, อภิสมัยของสัตว์การตรัสรู้อริยสัตว์นั้นมีแกสัตว์นับจํานวนไม่ถ้วนนับไม่ได้หรือว่ามีเท่านั้นเท่านี้เยอะมากพระผู้เป็นเทพแห่งเทพพระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตประชุมสาวกผู้เป็นพระขีณาศพนะก็คือพระสิ้นอาสวะแล้วผู้ไร้มนตินคือความเศร้าหมองจากราคะเป็นต้นผู้มีจิตสงบผู้คงที่ประชุมสาวกสันนิบาตมีครั้งเดียว ครั้งนั้นเป็นสันนิบาตประชมุมพระภิกษุสาวกสองหมื่นผู้เป็นทักขีนาศพล่วงพบนะขักีนาศเหล่านั้นเสมอกันด้วยหีริและเสมอกันด้วยศีลก็กล่าวว่าท่านมีศีลเสมอกันส่วนสมาธินี้จะไม่กล่าวว่าเสมอกันบางท่านได้รูปประชานบางท่านถึงอรูปประชานบางท่านวิชาสามบางท่านอภิญญาหกส่วนคุณระดับสูงนั้นมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ถ้าหากว่าการก้าวล่วงพบจะล่วงเหมือนกันมีฮิริเหมือนกันมีโอตตปะเหมือนกันมีศีลเสมอกันมีศรัทธาในพระรัตนตรายคล้ายกันแต่ไม่เท่ากันเพราะบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากมีปัญญามากก็เลื่อมใสามากพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังว่าครั้งนั้นพระองค์นั้นเป็นมานพปรากฏชื่อว่าโชติปาลเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมลจบตรายเพศ ถึงฝั่งในลัทธิธรรมของตนหมายความว่าจบกระบวนวิชาของศาสนาพรามทั้งหมดรู้ลักษณะศาสตร์หมายความว่ามองเห็นคนเนี่ยมองเลยว่าคนเนี่ยความสามารถขนาดไหนเรียกว่าตำราลักษณะก็วาตำราดูว่าหน้าตาแบบนี้จมูกแบบนี้ตาแบบนี้หูแบบนี้ผมแบบนี้คางแบบนี้หน้าผากแบบนี้โหนกแก้มแบบนี้คอแบบนี้บ่าแบบนี้แขนแบบนี้ไล่ตอกบอกเร้่หมดเลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรประมาณเรียกว่าตำราลักษณะศาสตร์ แล้วก็คมภีอิติหาสะคมภีที่ฉลาดรู้พื้นดินและอากาศมองดินนี้ดูออกเลยว่าดินนี้เป็นดินประเภทไหนอย่างไรก็ดูอากาศเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นแดนบินโคโจรของนกหรือเปล่านกบินบ่อยไหมอากาศแบบนี้นะเขเก่งขนาดนั้นเรียก ว, ว่าสําเร็จวิชายอย่างทุกอย่างสมบูรณ์ครั้งนั้นอุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระน ะ, ะพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะ อุปถากชื่อว่าคติการะเนี่ยนะเป็นอนาคามีบุคคลเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่ายำเกรงเป็นบุคคลที่พระองค์แนะนําในอริยผลที่สหมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนคติการะอุบาสกให้บรรลุเป็นพระอนาคามีท่านคติการะอุบาสกพาเราเข้าไปเฝ้าพระกัสสปชินะพุทธเจ้านนก็คือได้เพื่อนดีได้สหายดีเพื่อนก็เลยชวนเพื่อนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ก็ได้ฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วก็สังเวชสลดใจออกบวชในสำนักของพระองค์เราเป็นผู้ปรารบความเพียรฉลาดในข้อวัดน้อยใหญ่ไม่เสื่อมไม่คลายเนี่ยนะหมายความว่าการในการประพฤติปฏิบัติไม่มีการย่อหย่อนตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณในข้อไหนท่านทำได้หมดอย่างไม่เสื่อม จึงสามารถทําคําสอนของพระชินะพุทธเจ้าให้บริบูรณ์ในวิสัยของพระโพธิสัตว์ที่พึงทําได้ท่านทําได้ครบถ้วนสมบูรณ์พระโพธิสัตว์นั้นเล่าเรียนนวงังคาสัตว์ศาสตร์คาสอนอันประกอบไปด้วยองค้ามีสุตตะเคยยะวยาการณะคาถาอุทานอิติพุตตะชาตกะอภูตรธรรมเวทละก็คือเรียนทระไตรปิฎกอย่างแตกฉานพระพุทธวจะนะ ต, ตลอดทั้งหมดเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด อย่างพระศาสนาของพระชินพะพุทธเจ้าให้งดงามก็คือช่วยกันประกาศเป็นต้นพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นเห็นความอัศจรรย์ของเราก็พยากรเราว่าในพัฒรกับนีนะนะ้อีกหนึ่งพุทธันดรข้างหน้าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้ า, อานะรอหน่อยเธอนะเป็นดินสูงอีก20กิโลรอไปหน่อยล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระตถาคตคือผู้ที่สร้างบารมีมาจนเต็มเตี่ยมอย่าลืมว่าคําว่าตถาคตนี่หมายคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆประชุมธรรมะแปประการนี่นะมนุษสตว์ังเล็งขสัมปติเป็นต้นคือความเป็นมนุษย์เป็นเพศ ช, ชายเป็นนักบวชมีเหตุมีอุปนิสัยได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยประชุมธรรมะองค์แปดแล้วก็รวบรวมบารมีคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้า บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้ายกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆหมายคือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆปฏิบัติข้อปฏิบัติให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยประการใดพระตถาคตก็คือผู้ที่สร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะไอ้คำว่าเหมือนไม่ใช่ว่าแกะบล็อกมาเป๊ะเลยไม่ใช่คําว่าเหมือนก็แปลว่าคล้ายนะคล้ายคําว่าคลา้ายเนี่ยแปลว่าเหมือนแท้ๆเลยไหม พิมพเดียวกันไหมบอกไม่ใช่แต่แต่ว่าคล้ายกันนั่นเองสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมนะเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นความที่อินทรีแก่กลา้าปัญญนทรีแก่กลา้าเห็นเทวทูตก็ออกอภินิสกรมจากกรุงกบิลพัฒน์อันน่าเรื่นรมตั้งความเพียรธรรมทุกขะกิริยาพระตถาคตประทับนั่งนะักโคนต้นอชาปาลนี่โครตคือต้นไทรเนี่ย น, นะ ต้นทายเทศพวกเด็กเลี้ยงแก่ไปพักกันนะ่ยรับเข้ามาทุ ป, ปายญาตณที่นั้นเสร็จแล้วก็เข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชาลาพระชนะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุบายญาติที่ริมฝั่งแม่น้ํ า, เ น, าเนรัญชราเสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้เข้าไปที่โคนโพเพลกจากนั้นพระผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทรงกระทําประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยม ตรัสรู้โคนโพพฤกคือต้นอสัตถ h เนี่ยนะก็ต้นโพใบสมัยใหม่เขาก็ไ ป, ปะอะไรนะประทักษ์ศีลต้นโพเยอะกันเนี่ยนะแล้วก็นั่งสมาธิสวดมอนต์อยู่แถวนั้นทําไมไม่บรรลุบ้างมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะทำบุญมาไม่เหมือนกันสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันทําเหตุมาไม่เหมือนกันนะเขาเคยมีพยามารพยามารเขาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเขามาสีขีดเส้นประมาณสิบหเส้น คือความเด่นความด้อยระหว่างตัวเข้าเองกับพระพุทธเจ้านะที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพญามังกก็ขีดเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแลว้วนับคำนวณมาหนึ่งเจ้าพระสิท ธ, ธะท่านให้ทานท่านให้ทานมาอย่างไม่มีส่วนเหลือเราไม่เคยให้ทานนี้เป็นความด้อยของเราข้อที่หนึ่งะเราเนี่ยแพ้ท่านข้อหนึ่งข้อสอง ถ้าสิทธะท่านรักษาศีลมาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เราไม่ได้รักษามาอันนี้ข้อด้อยข้ อ, ขอที่2คิดไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อย น, นะถ้าสิทธะเนี่ยท่านเจริญเนคขมะมาอย่างสมบูรณ์เราไม่ได้เจริญเนคขมะมาเลยนะก็ไล่อีกอ่ะถ้าสิทธะสร้างปัญญาบารมีมาจนสมบูรณ์เราไม่ได้สร้างบารมีเนี่ยนะถ้าอ่าถ้าสิทธะสร้างวิริยะบารมีมาเราไม่ได้ทํามาเลย พระสิทธะมีขันติบารมีเราไม่มีขันติบารมีพระสิทธะมีสัจจะบารมีเราไม่มีสัจจะบารมีพระสิทธะมีอธิษฐานะบารมีเราไม่มีอธิฐานบารมีพระสิทธะมีเมตตาบารมีเราไม่มีเมตตาบารมีพระสิทธะสร้างอุเบกขาบารมีมาเราไม่ได้สร้างเลยสรุปว่าพระสิทธะสร้างบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมาถารมีสิบมาเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรมาเลยจะมาแย่งแต่ที่นั่งอย่างเดียวแค่นี้ยนะ พญามารเขาคิดนะของเราก็บอกไม่ได้สร้างมาแต่ขอมาไหว้ผู้ที่สร้างมากันแล้วกันงั้นอันนี้ในที่หนึ่งนะบอกว่าสิบข้อแล้วเป็นความพ่ายแพ้ของพญามารสิบัวข้อใหญ่ก็คือไม่ได้สร้างบารมีมาแล้วต่อไป เมื่อเราไม่ได้สร้างบารมีมาจึงไม่คู่ควรแก่อินทรยะโปรปริยติยานอาสยา น, นุสยายานย ม, มะกะปาติหาริยายานมหาการุณาสมาบัติยานสัพพายุตยานและอนาวรณะยานพระโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีมาท่านจึงคู่ควรแก่อสสาธารณะยาณหกท่านจึงคู่ควรเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราเปล่าเลย น, นะก็เลยเป็นความาพ่ายแพ้นั่งน้อยเนี่ยนะนั่งไง้อลูกสาวบอกเอ้าเดี๋ยวจะไป ช่วยแทนงนะที่มาของนางตันหานางราคาและนางอรดีเนี่ยนะก็ะก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นโทเพราะพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีสิบมาจนเต็มเตี่ยมรวบรวมโพที่ปัจยธรรมจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณโค น, นต้นอสัตถพฤกษ แล้วก็พยากรณ์ต่อไปเอกว่าท่านผู้นี้จะมีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมายาพระพุทธบิดาพระเจ้าสุดโททนะท่านผู้นี้มีนามตามโคตว่าโคตมะจกมีอัครสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะทั้งคู่นั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธอุปถากคนที่คอยบำรุงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ชื่อว่าพระอานันตจะคอยโปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ท่านจะมีอักคราสาวิกาเนี่ยนะนักบวชหญิงอันซ้ายขวาชื่อว่าพระเขมาและอุบลวันนาทั้งคู่เป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศธาหรือว่าต้นโพใบพระองค์จะมีอัราาคระอุปถาคยมอุปถากผู้ชายชื่อว่าจิตตะและหัตถะอัลวกะ อ克拉อุปถายิกาอุปถากหญิงชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคตมะผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุในสมัยร้อยปีฝ่ายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลืม้มดีใจว่า ท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธังกูลท่านผู้นี้เป็นผู้มีบุญวาสนาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตบรรหมืุนโลกกระท่ทั้งเทวดาก็พากันโหร้องปรบมือโห่ร่ำร่าเริงประคองอัญชลีนมันสการกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากศาสนาของพระโลกกระหนาพระองค์นี้หมายว่าถ้าพลาดจากพระพุทธศาสน า, า, าของพระพุทธเจ้ากัสปะในอนาคตอีกหนึ่งพุทธันดรเราจะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ เพื่อที่จะข้ามโอฆะสงสารเปรียบเหมือนอย่างว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าจะข้ามแม่น้ําพลาดจากท่าน้ําคือพลาดจากเรือที่ข้ามฟากลำลำเฉพาะหน้านี้เดี๋ยวขอขออะไรขอข้ามแต่นะท่าน้ําที่อาศัยเรือข้างหลังต่อไปก็สามารถที่จะข้ามแม่น้ําใหญ่ได้ฉันใด ฉัน้นใดก็ดีเพื่อเราทั้งหมดถ้าเกิดหากว่าผ่านพ้นพลาดโอกาสไม่ได้กําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคไม่สามารถตรัสรู้อริยสัจในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันเน่ยนะไม่บรรลุพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ขอบรรลุพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็แล้วกัน ฝ่ายพระโพธิสัตว์น่ยนะคือสรุปว่าผู้ที่ฟังคําพยากรณ์นั้นไม่ได้ฟังเฉพาะพระโพธิสัตว์อย่างเดียวเทวดาและมนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นก็ฟังพุทธพยากรณ์เหมือนกันเพราะนั้นเขาก็เลยดีใจกันว่าเออถ้าพลาดเรือลํานี้ก็ขอเรือลําหน้ากันละกันฉันใดฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้ฟังคําพยากรณ์จิตก็เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปปกติก็เลื่อมใสยอยู่แล้วเนี่ยนะเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เลยอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดขึ้นไป บำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์เราท่องเที่ยวเวียนไหยตายเกิดพบแล้วพบเล่าเว้นจากความชั่วเว้นเด็ดขาดจากอนาจารแปลว่าการทำชั่วร้ายเราทำแต่กิจกรรมทำกิจที่ทำได้ยากคื อ, ก า, อการสร้างบารมีทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าเป็นการกระทำที่ทาได้ยากถึงจะยากเราก็ทำเพราะอยากได้โพธิญาณอย่างเดียวบอกตรงๆบอกว่าทำไมจึงทาขนาดนี้ทำไมจึงทนขนาดนี้ อยากเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะนะเพราะอยากเป็นพระพุทธเจ้าเด็กบางคนทำไมขยันเรียนจังเลยบอกเพราะอยากได้ที่หนึ่งะรเง้ก็เลยขยนันนิชันใดพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลเอกของโลกต้องการจะได้โพธิญาณอันสูงสุดเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ท่านทำก็ทำในสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อท่านทำในสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์ จึงได้รับสิ่งที่รับได้รับได้โดยยากที่บุคคลอื่นยากที่จะได้รับนะบุคคลอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกเว้นแต่ผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเท่านั้นจึงจะได้รับมันแต่ถ้าเป็นบุคคลปกติธรรมดาทั่วทั่วไปไม่อยู่ในฐานะไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้รับเนี่ยนะไม่อยู่ในฐานะได้รับได้รับอะไรได้รับพุทธคุณเช่นกับพระพุทธเจ้า ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะนั้นมีอยู่ว่าที่พระนครพารณสีนะนะพารณสีนะซึ่งไปเพิ่งไปกันมาเนี่ยนะมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้ากีกิหรือพระเจ้ากิงกินะก็สามารถเรียกได้หลายชื่อนะพระเจ้ากีกิหรือกิงกิเนี่ยตระกูลของพระกัสปะพุทธเจ้าเป็นตระกูลใหญ่อยู่ในพระนครนั้นคือท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์นะ พระกสปะสัมมาสามัมพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธบิดาเป็นพราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัตพระชนนีเป็นพรามณีชื่อว่าธนาวดีนะพระพุทธมิดาขอไปพระพุทธมารดานั้นเป็นพราหมณีชื่อว่าธนาวดีนางผู้มีทรัพย์ว่างั้นพระองค์นั้นครองคารวะาวิสัยอยู่ 2,000 ปีสมัยนั้นสอง0 0ื่ปีนะก็สังเกตนิดหนึ่งบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอายุ เกิดในยุค 30,000 ปีพระ อ, องค์ก็ครองคารวะวิสัยเท่าไรก็ 3,000 ปีถ้า 40,000 ปีก็ครองคารวะวิสัย 4,000 ปีทีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย100ปีครองคารวาะวิสัย29ปีนะ29ปีน ะ, ะพระองค์นั้นครองปราสาทชั้นเยี่ยมหรือมีปราสาทสาหลังสฤดูชื่อว่าหังสะยะสะและสิริจันทะ มีหญิงที่คอยดูแลรับใช้ประมาณ4 8 0 0 0นางนะเป็นเจ้าหนะ้าที่คอยผลัดเปลี่ยนมาดูแลตั้งแต่ไล่ตั้งกต่พวกทหารยามพวกชาวสวนพวกอะไรจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนนะนะมีนางสุนันทาเป็นประมุขพระองค์นั้นมีบทบทชื่อว่าวิชิตเสนะนะวิชิตเสนพระผู้สูงสุดในบุรุษหรือว่าผู้สูงสุดในนรชน หลังจากที่เห็นหน้าบุตรก็เห็นนิมิตสี่ด้วยเห็นคนแก่เห็นคนป่วยแล้วก็เห็นคนตายเห็นนักบวชเนี่ยนะก็เลยช่างยับยั้งช่างใจว่าเอายังไงดีในที่สุดก็ออกอภินิษฐกรมพร้อมกับปราศาทตร์แม้ปราสาสตรนี่พาเหาะไปเลยลอยไปเลยเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนบอกว่าโอ้ปราสาทมันลอยไปได้ยังไงก็บอกก็ดูเครื่องบินสมัยใหม่เนี่ยมันลำเล็กสัที่ไหนไม่รู้มันขึ้นได้ยังไงไม่ทราบเนี่ยนะใหญ่มากเลยนะไม่รู้ขึ้นได้ยังไง เพราะฉันได้สถานี้ขนาดคนมีกิเลสอย่างนี้ยังบินขึ้นฟ้าได้แล้วคนมีบุญละ่ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะหลังจากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปัจยะธรรมอยู่7วันด้วยกันพระมหาวีระกัสปะผู้นำโลกผู้สูงสุดในโนโรชนหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเท้ามหาพรหมอาราธนาพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรณมิขทยวั น, น, นก็คือปายสี ป, ปตนะมฤุทยวันเนี่ยนะ พระกสปะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระอัครสาวกชื่อว่าพระติสสะและพระภารทวชะพุทธอุปถากชื่อว่าพระสัพมิตระพระองค์มีอัครสาวิกาชื่อว่าพระอนุลาและพระอุรุเวลาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นนิโครธพระองค์ตรัสรู้ที่ต้นใส พระองค์นั้นมีอัคระอุปถาชื่อว่าสมังคลระและคติการะมีอัคระอุปถายิกาชื่อว่าวิชิตเสนาและ พ, าพะพัทธาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูง20สบศอกเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศเหมือนดวงจันทร์ทรงกลดนนนนก็คือ พ, อพระรัศมีที่พุ่งจากแสงเนี่ยนะพุ่งออกจากกายเนี่ยนะก็เหมือนกับ สายฟ้าแลบหรือว่าเหมือนดวงจันทร์ทรงกลดที่มีรัศมีวงรอบนะแผ่เป็นช่อบเป็นช่อบเป็นช่อบออกมานะพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพระชนมายุร่วมสองหมปีเนี่ยนะพระองค์มีพระชนมายุยืนถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะถามว่าตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่พระองค์ทาอะไรบ้างบอกว่าพระองค์สร้างสะธรรมะเนี่ยนะสร้างสะก็คือสร้างบ่อน้ําใหญ่ คือธรรมะประทานศีลเป็นเครื่องรูปไปร้พระองค์ก็ให้ผ้านุ่งผ้าหม่มแจกจ่ายพวงมาลัยธรรมะเนี่ยนะก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นบ่อน้าที่สร้างด้วยธรรมะศีลเป็นเครื่องรูปไร้ผ้านุ่งห่มก็เป็นธรรมะแจกจ่ายพวงมาลายัยคือธรรมะธรรมะธรรมะในที่นี้ไม่ใช่แจกจ่ายทุกขสัตย์เนี่ยนะ อีทางทุกขังอริยสัจจ์เนี่ยไม่ใช่แจกทุกนะไม่ใช่แจกสมุทยัยแต่แจกนิโรธแจกมรรคเนี่ยนะทำอย่างไรเขาจะได้ตรัสรู้พระนิพพานแทงตลอดปฏิบัติตามอริยมรรคได้พระองค์ทรงตั้งธรรมะอันใสสะอาดเป็นกระจกเคลื่อนเว่นธรรมแก่มหาชนคนเหล่าใดเหล่านึ่งนะเว้นธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันผู้ใดปรารถนาพระนิพพานก็จักดูเครื่องประดับของเราเนี่ยนะว่าประดับไปด้วยอะไรบ้าง สติประธานสัมมัประธานเป็นต้นพระองค์ประทานศีลเป็นเสื้อถ้าพูดถึงนักรบนะถ้าถ้าเปรียบเมื่อกี้บอกว่าถ้าเปรียบเหมือนกับการอาบน้ำถ้าหากว่าอีกในหนึ่งก็บอกว่าพระองค์เนี่ยให้ศีลเหมือนกับเสื้อให้ฌานเป็นเกราะหนังห่มธรรมะคือคือหนังเสือเนี่ยนะประทานเกราะสวมอันสูงสุดพระค์ประทานสติเป็นโลก ประธานยานเป็นหอกคมกริบประธานธรรมะเป็นพระขันคือดาบอย่างดีประธานศีลเป็นเครื่องย่ำยีศัตรูนะยานยานเป็นหอกคมกริบนั้นหมายถึง น, าานิพพสนาญาณประธานธรรมเป็นขันอย่างดีหมายถึงมัคคิญศีลเป็นเครื่องย่ำยีศัตรูประธานวิชาสามเป็นเครื่องประดับสามัญญผลสี่เป็นมาลัยคล้องคอ ประธานอภิญญาหกเป็นอภรณ์เครื่องตกแต่ง น, นะแล้วก็ธรรมะคือโพธิปัจจะธรรมเป็นดอกไม้ประดับพระองค์และพระสาวกประธานทศธรรมเป็นสเสวตฉตดไว้ป้องกันบาปทรงเนร่มิดดอกไม้คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเป็นทางที่ไม่มีภัยเมื่อพระองค์ด้วยพระสาวกด้วยบำเพ็ญกิจบำเพ็ญประโยชน์ตน และบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นเสร็จสิ้นแล้วก็ดับขันปรินิพานนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้อันใครใครเข้าเฝ้าได้ยากถึงขนาดว่าพระองค์จะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะก็ยังกล่าวว่าดับขันปรินิพานเลยแต่ว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีคุณยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะพระพุทธคุณทั้งหลายชื่นชมยกย่อ ง, องสรรเสริญก็ไม่มีจบมีสิ้น นั่นคือพระธรรมรัตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาดูเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐดูแล้วพ้นทุกข์ได้นั้นคือพระสังครัตนะผู้ปฏิบัติดียอดเยี่ยมพระว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีทั้งหลายทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์สอนพระสังครัตนะหมู่ผู้ปฏิบัติตรัสรู้ตาม ทั้งหมดสิ้นนั้นก็อันตรธานไปสิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้เนี่ย น, นะเรียกว่าหมดยุคหมดสมัยก็สูญหายตายจากกันไปหมดพระชินะศาสดาพระมหากัสปะพุทธเจ้าพระองค์นั้นดับขันปรินิพานณวิหารเสตัดพยรามพระธาตุของพระองค์ไม่กระจายก็จึงมีการสร้างสถูปของพระองค์ณพระวิหาร น, นั้นสูงหนึ่งโยชนะเจดียทองของพระกสปะพุทธเจ้า และเล่าให้ฟังในคาถาธรรมบทเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าเจดีทองของพระกสปะพุทธเจ้าเนี่ยนะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ความในคุถการนิกายคาถาธรรมบทพระองค์ตรัสว่ากล่าวกันว่าพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยนะสมัยหนึ่งพระองค์เสด็จจาริกไปในชนบทปรารบเจดีทองของพระกัสปะทศพลก็คือเจดีของพระพุทธเจ้า มีเรื่องเล่าว่าพระตถาคตเจ้ามีพระภิกษุสงฆ์มูใหญ่เป็นพุทธบริวารพระองค์ก็เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จไปเมืองพารณสีโดยลําดับก็เดินลัดตรงจากเมืองพารณสีม า, อาขอภัยสาวัตถีมาพารณสีก็ไกลกันพอสมควรนะทางเป็นร้อยกิโลหลายร้อยกิโลเหมือนกันพระองค์ก็เสด็จมาถึงเทวสถานแห่งหนึ่งอินเดียกับเทวสถานนี่มันคู่กันแท้ ก็เหมือนกับแบบถ้าเป็นอะไรก็เหมือนกับสารเจ้าเหมือนอะไรนะก็ยังมีเจดียังมีอะไรอยู่ที่อินเดียนี่ถือว่ายังเยอะอยู่นะเทวสถานก็เยอะมากทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่เยอะมากวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จมาถึงเทวสถานแห่งหนึ่งไปใกล้ใกล้บ้านของโตไทยคามโตไทยคามในระหว่างทาง พระสุคตคือพระพุทธเจ้าก็ประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นนะไปอยู่ใกล้เทวสถานจริงก็เหมือนกับว่าถ้าดูภายนอกเหมือนกับคนละวัดที่คนละศาสนาแต่พระองค์ก็ไปนั่งทําไมไปนั่งอยู่ใกล้วัดเขาอ่ะเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งพระพระอานนทเทระเจ้าผู้ธรรมมพันธาคาริกคือขุนคลังแห่งพระธรรมพระพระองค์ใช้ให้พระอานนทไปบอกพราหมณ์ที่กําลังทํากสิกรรม คือไปไถนาเนี่ยแสดงว่าสถูปนี่เป็นของประจำตระกูลใครอย่ามายุ่งใครอย่ามานเนี่ยนะเป็นเจดีย์ประจำบ้านถ้าบ้านเราก็คืออะไรน ะ, ะเคยใครเคยเห็นแบบที่เก็บกระดูกปูย่าตายายนะคล้ายๆแบบนั้นนะเป็นโกดไว้เนงะี้ยประจำตระกูลบอกไปเรียกเจ้าของออมาสิตอนนี้เขากําลังไปทํานาอยู่ที่ที่ที่เขาทํานามไม่ไกลจากตรงนั้นเท่าไหร่พราหมณ์นั้นมาแล้วก็ไม่ยอมกราบไหว้อภิวาสพระพุทธเจ้า ไปถึงไปกราบไหว้แต่อเทวสถานที่เดียวไม่ไหว้พระพุทธเจ้าสักอย่างเลยนะเสร็จแล้วก็ยืนอยู่พระสุคตเจ้าก็ตรัสว่าพรามท่านสำคัญสถานที่ตรงนี้ว่าเป็นที่อะไรทำไมท่านไปกราบไปไหว้ที่ตรงนี้มันดียังไงพรามก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญข้าพระเจ้าไหว้กราบไหว้ด้วยตั้งใจไว้ว่า สถานที่ตรงนี้เป็นเจติยาสถานเป็นสถานที่เคารพตามประเพณีของพวกข้าพเจ้าเป็นเชื้อสายวงตระกูลบรรพบุรุษพากราบพาไหว้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะนี่เขาเรียกว่าโชคดีของกันนะนะแขกพูดภาษาไทยบอกไหวและโชคดีกันแล้วกันนะนะบอนิมนฉันน้าให้ผมหน่อยผมจะได้โชคดีเพของกันแขกเขาเขาชอบเรื่องโชคเรื่องอะไรของเขามากแล้วนะ ที น, นี้พระพุทธเจ้าก็เรียกพรามนั้นมาชื่นชมยินดีเพราะองค์ไม่ได้ตำหนินะบอกโอ้เธอไปไหว้เจดีตรงนั้นทาไมไปไหว้เหมือนกับว่าไปไหว้ซ า, ากอิดซา ก, ากปูนทาไมพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยพระองค์บอกชื่นชมยินดีบอกว่าพรามท่านไหว้สถานที่ตรงนี้ท่านทำดีแล้วทำดีนะดีนะนะยินดีด้วยนะที่ได้กราบไหว้สถานที่ตรงนี้ พิสูจทั้งหลายพอได้ฟังพระพุทธดํารัสนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะพราหมณ์เนี่ยไม่ไว่า้พระพุทธเจ้าไปไว่ายซากองอิฐกองหินเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกแหมอะไรอะ่ะพระองค์ชื่นชมยินดีกับพราหมณ์ทําไมเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจะนะพระพิสูจนไม่เข้าใจสงสัยขึ้นมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะปลดเรื่องความสงสัยของพิสูจน์เหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสคติการสูตรเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไป ในมัชชิมนิกายเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็เนรมิตเจดี JD ทองของพระกัสปะทศพลคือสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่สร้างเจดีมีลักษณะอย่างไรพระ อ, องค์ก็อธิษฐานเนรมิตขึ้นมาตรงนั้นเป็นเจดีสูงหนึ่งยอและพระเจดีทองอีกองค์หนึ่งเอาไว้ในอากาศเนีนะเนรมิตเป็นเจดีทองลอยในอากาศเลยนะครอบบริเวณนั้นก็เหมือนกับคล้ายอะไรนะคล้ายๆกับฉายอะไรบางอย่างที่มันในอากาศดูเป็นรูปภาพนั่นเอง แล้วก็แสดงให้มหาชนเห็นแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาชนิดนี้หรือเช่นนี้แม้ดีนะเป็นบุญของท่านแล้วที่ท่านได้ไหว้ได้กราบพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าการกราบไหว้บุคคลเช่นนี้เป็นเรื่องที่สมควรที่ทําที่สุดสมควรทําแท้เสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศปูชาละหบุคคลบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ หรือเจดีสถานที่ที่ควรกราบควรไหว้คือศรีระเจดีสารีริกธาตุพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็เป็นสัพทธาตุที่ควรกราบควรไหว้อย่างที่หนึ่งสองอุเทสิกะเจดีคือพระพุทธรูปทั้งหลาย3บริโภคเจดีคือข้าวของเครื่องใช้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดเป็นคาถาว่าใครใครไม่อาจเพื่อจะนับบุญนะใครๆไม่สามารถนับได้ว่าบุญเนี่ย บุญของใครบอกของบุคคลผู้บูชาผู้ควรบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นคือบุญที่เกิดขึ้นในขณะที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีใครนับได้ว่าบุญเท่าไหร่หรือว่าบูชาพระสาวกของพระองค์เนี่ยนะที่ข้ามพ้นรากักปัญหามานะทิฐิที่เรียกว่าล่วงพ้นปปัตนจะทำได้แล้วผ้าฐันเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกนะไม่มีความคร่ําครวญ หรือเป็นผู้ข้ามพ้นความเศร้าโศกข้ามพ้นความข้ามครวนมันใครไม่สามารถนับได้หรอกว่าถ้าบูชาพระรีเจ้านั้นได้บุญเท่าไหร่หรือบูชาบุคคลคือบูชาพระพุทธเจ้าก็ตามบูชาสาวกของพระองค์ก็ตามผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆเนี่ยท่านเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ก็ตามท่านเหล่านั้นป ร, รินิพพานแล้วก็ตามถ้าหากว่ามีใจเลื่อมใสเท่ากัน นะที่อื่นในวิมานวัตถุบอกว่าได้บุญเท่ากันถ้ามีจิตเลื่อมใสเหมือนกันก็ได้บุญเหมือนกันเพราะวัตถุที่ตั้งแห่งความเคารพ บ, บูชาคือสิ่งเดียวกันหมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะบุญที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นผ้าฐานข้ามพ้นตัณหามานะทิฐิหรือว่าสาวกของพระองค์ก็ตามไม่มีใครนับไม่มีใครคำนวณได้หรอกว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้เนี่ยนะ